ธรรมะ <c oughs> นั่นจิตใจผู้ฟังวรรมะจำเป็นกับชีวิตของทุกท่านคนที่ไม่มีธรรมะต้องมีความสุขธรรมะจึงจำเป็นในชีวิตควรสุกจิตอารมณใจ ก <C ười> ารฝุดจิดจะสุดเบื่อุิีใดผมมุ่งหวังอยากจะให้เกิดความสงบถ้าสงบความสุขเกิดการจระทำของทุกท่านจึงเป็นทางไ้จิตเพืให้จิตมันสงบเป็นพอ ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโโรด้วยจฉพาภาวนาอาหังได้ทนั้นจะกำหนดเกษาโลมานาคาจัมตาได้คือหมายถึงจิตสงบเป็นที่มุ่งหวังของการสุรกจิตจิตของทุกคนเว้ีสูงส่งจิตนึกเรื่องนอกและเคยสงบอ่นสูต เห็นอยู่ตามวัตถุเห็นอยู่ตามสถานที่ไม่ได้มุ่งห่ายเรื่องของจิตเป็นสิ่งจิตมีความสุกเพียงพอสมบูรณ์เลี๋ยวจะหาแอ บ, บเรื่องอื่นมาเป็นความสุมขเกาะเรื่องอื่นแอบบเรื่องอื่นจึงเป็นอนิจจังสุสังอนัตตาเลยคิดหวังในสมปราถนา ดังนั้นการภาวนาคือการอบรมจิตเพื่อให้จิตสงบจึงจะประสบเรื่องความสุขความสมหวังแล้วความสมหวังของการภาวนาหมายถึงความสงบของจิตจิตสงบจะมีหลายอย่างอย่างหยาบอย่างตางอย่างละเอียด <c oughs> อย่างหยาบ หมายถึงจิตสงบจากนิวรณ์ตัวขณะเวลาอย่างการหมายถึงจิตมีสมาบัตจะเข้าเวลาใดออกเวลาใดทำได้สะดวกสบายเพราะการสุด ก, การอบรมของตัวอย่างละเอียดหมายถึงการละถอนกิเลส ตีโมดไปจากจิตจากใจไม่มีอะไรมาบอบกวนอีกไม่มีการเข่าการออกเพราะการถอนกิเลสออกจากใจการผีดจิตหลุดออกจากโลกเป็นความสงบยิ่งเป็นความสงบละเอียดแต <c oughs> ่ถึงอย่างไรก็ดีหยาบบางละเอียดก็อยู่ในจิต เดวงเดียวกันแต่ จ, จะไปมีในสถานที่อื่น <c oughs> และการฝึกฝึกในตัวของตัวในกต้องไปฝึกที่ใดเขากิเลสมีอยู่ที่ใดก็เด็ดตงกทีนี้ที่จะนา่ากำจัดใหกิเลสตันหาหมดออกไปความสงบก็เกิดขึ้เนเขากิเลสเปน สิ่งทีก่อควนความสงบของใจจิตของทุกคนการภาวนาของทุกคนจะภาวนาไปแบบไหนอย่างไ ร, รง ก, งงก็มุง่งถึงความสงบถึงความสป็นทุกข์จะได้มาด้วยวิธีใดก็ไม่เสียในจิตเหมือนกันกับแม่น้ำสายต่างๆ ไหลมาจากคิดใดทางใดจะลงสู่ทะเลปวดเป็นรถเข็มเหมือนกันหมดจิตใจของพวกเราท่านที่ปฏิบัติภาวนาอาัจทำอทัอทำ น, นองเดียวกันคนที่จะภาวนายุบหนอพ้องเน้อหรือจะกำหนดลมหายใจเขาออกหรือจะกำหนดพุทโธทำโมสังโฆอะไรก็มุ่งหวัง่ัวหายใจสงบเมื่อ สงบแล้วก็เป็นอันเดียวกันคื่อปลายไปจากความคิดรุงยึดเหนี่ยวต่างๆปล่อยวางไปทั้งหมดทั้งสัญญาเวทนาความจำหมายในอดีตอนาคตหมดไปไม่มีการคิดรุง่คือความสงบของมิด มันจะงบถึงที่มีแต่สติความรู้เอกกตาความเป็นหนึ่งของจิตเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นจะได้รับความสุขความสบายเพราไปเยึดเกี่ยวกับเรื่องนอกอั น, นิสงส์รู้เห็นเด่นชัดในตัวเอง ไม่มีการสงสัยว่าจิตของเราเป็นอย่างไรทำไมจึงติดแสกแก่จางแก่ต่อก่อนอย่างนี้มันรู้มันพอใจในตัวมันเองดังนั้นการปฏิบัติจึงควรสุกหัดอบรมตัวควรปล่อยเวลาให้เป็นมันวิตของพวกเราท่านไม่กีรังอย่างยืนคามตายเป็นของเที่ยง แต่ความเป็นอยู่ไม่เสียงในวันใดก็วันหนึ่งแต่ควรไปอยู่ทุกระยะทุกเวลาหากเราไม่พิ้โอกาสหัวโอกาสในหน่วยเวลา <c oughs> ลมหายใจยังมีอยู่ทําคุณ ง, งามความดีสร้างเกาะสร้างที่พึ่งให้แก่จิตแก่ใจแล้วก็เลยมีโอกาสเวลาจะทาได้คนตาย จะทำบุญทำบาปทำไม่ได้อาศัยกรรมที่ตัวทำมาแต่ยังไม่ตายแถานั้นเป็นสี่พื้งสี่อาศัยเกาะไปในภพทางหน้าแต่ทุกคนเกิดมาจะปราศจากการแต่ทำไม่ได้ทำทางกายเรียบ ก, กายกรรมทำทางวาจาเรียกวิจีกรรมคิต ท, ทางใจเรียกมโนกรรม ทุกคนย่อมมีกรรมคือการกระทำทางนั้นอยู่เฉยๆธรรมดาเป็นไฟเมดาเพราะคนมีจิตวิญญาณไม่เหมือนาาวัตถุอิสระจากจิตวิญญาณฉะนั้นพวกเราท่านก่อนยังที่จะล้มหายตายไปจะสร้างเกาะสร้างทีพึ่งของใจในทางดีไดแก้ต่องประกอบปฏิบัติ อย่าไปอ่านการอ่าเนเวลาจะทำบำเพ็ญใหเห็นใหรู้เมื่อยังไม่เห็นไม่รู้จิตใจเกิดสงสงัยว่าตายไปจะไปเกิดเป็นอะไรก็เรายังไม่เห็นจิตใจของเราปัจจุบันน <c oughs> ีแต่ความฟุ่งเุงคิดอ่านเรื่องอืน่นแล้วก็เกิดสงสัยว่าตายแล้วจะไปสู่ภพใดชาดใดนี่คือใจยังไม่มีกี่ฝั่งกี่อาศัย ย่ไม่ทาบชัดเรื่องของใจตัวเองปฏิบัติจนถึงความรู้ประจักรับรองตัวของตัวเองว่าายการใดเวลาใดไม่ผิดหวังถึงไม่ถึงสี่สุดยิมุตินิ่พานโดยอำนาจจิตใจที่มีอาจทำมีความสุขมีความสงบก็เชื่อมั่น ประจากชาติขันของมนุษย์ไปจะมีความสุขความสบายยิ่งกว่าในชาติปัจจุบันเพราะเห็นประจักษ์ในจิตเมื่อตายไปแล้วถึงพบชาตยิยังไม่หมดก็จะได้ไปเกาะไปอาศัยที่สะดวกสบายยิ่งกว่าอาศัยอยู่ในกายของมนุษย์เมื่อเป็นอย่างนั้นการล้มตายต่อไนี้การเสียใจก็ราะมีกำไรในการเกิด แดี๋ยวพืปฏิบัติรูจิตเ็นใจทองตัวเดี๋ยวรักความสุขความสงบพอสมควรหากเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่ปฏิบัติไม่เคททำบาเทนจะคอยให้คนอื่นเขาทำให้ตายไปอย่างนิดลูกหลานสู่กเกี่ยวข้องจะทำบุญทุนทานให้อันนี้ไม่แน่นอน เขาคนตายทุกคนเมื่อตายไปแล้วก็หมดจิในสมบัติที่หามาได้จะมีมากน้อยเท่าไรสมบัติส่วนนั้นเรามีศิต ท, ที่จะมาเกี่ยวข้องฟ้องศาลให้เขาทำบุญคุนทานอย่างนั้นอย่างนี้หาเหมื่อเขาไม่เมตตาเขาไม่สงสารเขาจะเอาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ ้ประโยชน์ของเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาต่อว่าต่อขานกับเขาเรายังมีชีวิตอยู่จึงควรรีบแต่ทำบํมเพนสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ในเสียตายแล้วจะเป็นเศษเป็นสีคอยรับบุญสู้สนจากคนอื่นพอตายไปจิตใจของเราก็ไม่แน่นอนว่าจะไปเกิดเป็นเศษอยรับ สมบัติพัดสถานสี่อย่าดนีดอ้อุทิศไปให้ถ้าตำหนักก็ไม่มีโอกาสเวลาเขาจ ะ, ะอุทิตอุทิศไปหาก็ไม่ถึงถ้าตำเบาเป็นเฟรชก็ที่จะมารับได้ก็คอยยังชั่วแต่ก็ไม่ดีเป็นเรสเป็นขีเราส้่งเอาความดียิ่งกว่านั้นอย่าให้คิดหวังตายเมื่ อ, อไรเราจะไปก่ออาศัยพบชาติใหม่ จะให้มีความสุกกายสุกใจดิเศษประเสริฐี่ิป็นอยู่สาคิดอย่างนั้นก็ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตัวสั่วที่เสียต่างๆให้ตกไปเบาไปสบายไปถึงถึงความสว่างสวัยความสงบภายในขอความสว่างขอ ง, งจิตของใจทราบได้ อะไรดีชั่วผิดถูกต่างๆเหมือ น, นคนมีแสงสว่างยอไมไปตกหลุมจกบอก่ออะไรตกมาต่อหน้าต่อตา ต, ต่อพอมองเห็นว่าอันนี้เป็นของดีอันนี้เป็นของชั่วคนที่มืดมิดไม่ว่าทางตานอกตาในาจึงเป็นทางสี่เสียหายได้เพราะหม่ทราบว่าอะไรดีชั่วผิดถูก พ็อมองไม่เห็นความสว่างของใจก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากการฝึกจิตจิตนี้ถ้าหากหมดเพิดหมดใครหมดเรื่องอะไรไปปกคุมแล้วสว่างสวัยประทัดสอนอยู่ทุกระยะทุกเวลาจิตที่เมื่อ น, นิดก็เพราะเหตุที่จิตมีกิเลสอาสวะเ้าไปปกคุมหุ่มห่อเอาไว้ เหมือนพราคิดพ้าจันปกติถ้าไม่มีเมฆหมอกหรือลางหูปิดบงังพราคิดพ้จันจะจะต้องสว่างสวยสองแสงจ้าทั่วโลกแต่ที่เป็นไปไม่ได้บางการบางสมัยก็เพราะเหตุว่าเมฆไปปิดบังหรือหมอกมากปิดบังเอเสียไม่อย่างนั้น พระที่ประจันจะส่องแสงสว่างสวัยใจของพวกเราท่านก็ทํานองเดียวกันเรื่องกิเลสตัณหาตกภูมิหุ่มไว้ซึ่งไม่มีการสว่างสวัยไม่มีอะไรเป็นทีเป็นแสงออกมาการเทวนาคือการชาระ <c oughs> เรื่องจิตใจที่เศร้าหมอนุ่นมัวต่างๆจิตที่เคยสุ่มโ ง, งคิดอ่านให้สงบระงับ พอสองบลังงับบางทีก็เกิดแสงสว่างขึ้นสว่างไรจางไปหมดภายในจิตในใจอย่มองอะไรก็อนเห็นปวดถึงตัวเองก่นสรรเสริญตัวเองชมเชยตัวเองอัศจรรย์ตัวเองเพราะจิตไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเพราะ เกิความสว่างสวยขึ้นไปอย่างนั้นจะต้องทีนี้ที่เจนนะจะต้องขื่นชมจิตในความเป็นความเห็นของตัวนี่อเนกสงฆ์ปัจจุบันทันตาไม่ต่อไปหาวันชาตินั้นเชก่อนชาตินี้เชี่ยก่อนการฝึกจิตเข็นเข้าใจหาฝึกอบรมโดยสติโดยปัญญาของตัว <c oughs> ก็ทำของพระพุทธเจ้า อันมีอะไรปิดบังนอกจากกิเลสตัณหาเมื่อขับไล่กิเลสตัณหาออกไปกิเลสตัณหาไม่ได้ปิดบังจิตใจแล้วจิตใจสว่างไสวจิตใจสุขจิตใจสงบทุกคนเกิดมาต้องการความสุขความสบายแต่การที่จะชำระสาสารจิตใจของตัวนั้นรู้สึกว่าไม่ควรจะได้เอาใจใส่เพราะเหตุใดเพราะ ตัวเองและคนอื่นที่เกี่ยวข้องได้เคยแนะนำสอนได้เคยฝึกเป็นตัวอย่างมาต่างคนต่างรุ่มหลงต่างคนต่างเถิดเชิญจิตใจไหลไปสู่ด้านตำ่ำจะมาคิดเรื่องอา่านเรื่องทำสอนใจของตัวเองคิดยากสิ่งที่ตำ่ำที่ชั่วโลกเขาคือว่าดีว่าสนุกสนานอย่างนั้นอย่างนี้ จำง่ายปิดง่ายเหมือนผักขาวฝูกอะไรก็คอยใจจะเปี่ยนจิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันของต่ำของชั่วปิดง่ายจำง่ายไม่ต้องเลยหกักไปฝึกอะไรมันกว่าไหลไปในทางต่ำทางชั่วจะจะฝึกให้ดีพิเศษให้สงบสงัด เป็นการฝึกยากถึงยากตบเสื่อตัวของเราไม่ใจเสื่อคนอื่นต้องมีใจขยันหมั่นเพียรพยายามฝึกพยายามอบรมสติถ้าหากเราไม่ทีนี้ที่เจณนาจริงจังมันจะหาดวักขาดตอน ลืมหลงไปนานๆเพราะเราไม่ได้สุกมันคิดปรุงไปอย่างนั้นคิดปรุงไปอย่างนี้ทั้นทั้งที่ตั้งหน้าเข้าวัานนะแต่มันโกดจิตใจไหลหลงไปสู่อารมณ์สัญญาอื่นไหเจระนึกิกกได้ความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นแล้วเอาละขนาด น, นี้เราได้ ท, ดทําความดีพอสมควรจะนอนเสียวันใหม่จะทําอย่างนั้นอีก สติไม่ไดอยู่กับตัวไหลไปตามสัญญาอารมณ์แล้วลึกไม่ได้ว่าระยะเวลาที่เราฝึกหัดปฏิบททัติทำสติอยู่กับกจิตหรือไม่ไม่ได้สวจตาตรวจองตัวเองปล่อยวัดในภาวนาก็เป็นพอแต่มันจิตมันกรุงอะไรไม่คเคย ที่นี่พิจารนาไม่ได้รักษาเนื่อมันเป็นอย่างนั้นจะทำกันไปขนาดไหนมันก็เป็น่นไปไมนะ่ะเพราะขาดสติทำใจตริยาทางกายส่วนจิตใจไหลปรุงไปในทางใหม่ถึงตัวอยู่ในต่าในดงในกติวิหารในใจก็เข้าบ้าเข้ า, ข า, ข า, ขาลงบอกลงหนังไปเทียนี่คือคนที่ขาดสติ หายใจมันไหลไปในทางใหม่หมืวใจมันไหลไปทางใหม่ไม่ถูกหลักท้องอัดข้องทำใจก็ไม่ผ่องใสใจก็ไม่สงบจึงควรฝึกให้สติอยู่กับใจสั่งจิตสั่งใจทำจริงจริงจังจังสติเป็นเรื่องฝึกได้ฝึกละเอียดท่วไปการเถลอน้อยไม่มีโอกาสาเวลาจะเผลอ ยิ่งฝึกเข้าไปจริงๆริิตละเอียดสติละเอียดเป็นมหาสติแล้วไม่มีเวลาเผลอจะพูดจะคิดอะไรสติจะต้องตามทันทุกระยะทุกเวลาจะไปคิดฟุ้งเรื่องั่วเสียต่างๆมันบงบอกทีเดียวว่าเป็นเรื่องที่นอกรูกนอกทางเสียเวลา และเสียใจให้ตัวเองยังจะยับขึ้นเมื่อใดในเรื่องของสั้งฐานภายในทันทุกระยะเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตจะมีโอกาสเวลาไปเสบไปคิดไปจิ ต, ไ ป, จตไปคว่องเรียนชั่วมันเป็นไปไม่ได้นี่คือจิตที่ฝึก ด, ดีมีสติรอบขอบมีสติเต็มที่จึงเป็นการฝึกง่าย ระวังง่ายเรื่องข้องจิตแต่มันจะละเอียดตัวไปอย่างนั้นก็อาศัยหยาบเสียก่อนมันฝึกมันอบรมตัวของตัวเรือทางหยาบหรือเรือ่อยไปผลที่สุดมันก็ละเอียดไปเองเหมือนกันกับการบำรุงพืชผลต่างๆที่เราปลูกเอาไว้เรารดน้ำวนดินให้บ่อย พืชผลนั้นก็โ ต, ต, ตขึ้นเป็นลำดับสันใดาการต่อพฤชปฏิบัติภาวานาตัวฉันนั้นเราไม่ลดละลรตั้งหน้าฝึออกอบรมความหยาบค่อยๆจะละเอียดถไปละเอียดาไปจนถึงใจละเอียดถึงที่สติกับจิตเป็นอันเดียวกันไม่ห่างกันระยะนี้เป็นความเพียนตลอดเวลา เพราะไม่มีเรื่องนอกจะมาเกี่ยวข้องกับจิตใจถึงตรงคิดออกไปก็เพื่อแย่ยิเลสจิตจิ ต, จ ต, จตมันยังสัมผัสยังติดเป็นบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เชือสติจิตมันละเอียดได้มันเป็นไปได้แต่คนที่ไมเคค่เคยฝึกเคยรวมก็ไเข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นมันเป็นไปได้ เร่งความติด ข, ของของใจเคยดงจิตต่างๆมันหกตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนถึงสถานที่มันเกิดเกิดขึ้นจากที่ใดเราจะไปไปสนใจในเรื่องนอหมือนกันกับเราดูเขาวันยอดของมันจะยืดยาวไปขนาดไหน แต่เงาที่มันเกิดต้นตอที่มันเกิด อ, อยู่ที่ใดเราจะต้องพยายามตัดที่นั้นถอนที่นั้นส่วนยอดที่ยืดยาวออกไปมันจะตายเองเพราะเราตัดรากของมันตัดเงาของมันให้ขาดฉันใดจิตใจของพวกเราท่านในหมู่ฝึกใหม่ๆอารมณ์มันก็แส่สายไปหลายเรื่องหลายอย่าง ไม่ทราบว่ามันมาจากทิศใดทางใดเพราะเราไม่ยังไม่เห็นว่ามันเกิดจากที่ใดนั่นเองจึงขว่าหาอย่างนั้นขว่าหาอย่างนี้เพื่อที่จะให้ทราบสาเหตุของมันหรือเกิดจะแก้ไขความติดข้องของมันการภาวนาขอทำนองเดียวกันเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปจิตใจที่เคยโลภโกรธหลง ในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันโลกเพราะเหตุใดสิ่งเหล่านั้นเรายังไม่เห็นยังไม่ได้ยินมันมีหรือไม่เมื่อมันมีอยู่เราไม่รู้ไม่เห็นทำไมจิตไม่คิดไม่ปรุงไม่ติดไม่ฟ้อมันจะต้องมีทางสอบสวนและสอนตัวของตัวเองนี่คือการสืบหาเรื่องภายนอก เมื่อมันเข้าไปถึงเรื่องภายในถึงตนต่อของมันก็ไม่ต้องมาเก่อเกี่ยวเพราะสิงเหล่านี้เราไม่เกิดมันก็มีอยู่เราเกิดมามันก็มีอยู่เราตายไปมันก็มีอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่เป็นทายถ้าเราไม่ไปหลงเพราะของเหล่านั้นไม่ใช่ของที่เป็นกิเลสตัณหาอะไรนอกจากใจที่ไปลุ่มหลงติดข้อง พระพุทเจ้าหรือสาวกผู้บริสุทธิ์ทำอยู่ในโลกได้ไม่มีจิตใจปั่นป่วนหลงไหลแต่เราทำไมจึงจติดห้องหลงไหลเถิดเทินลุ่มหลงเพรา ะ, เ ร, าะเรื่องของเรามันจะไม่เขา้าจะไม่เข้าถึงจุดที่จะรักษาไงถ้าหากเข้าไปถึงจุดส่วนต่อเข้ามันจรงิงจังมันเกิดขึ้นจากจิตท้งนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเมื่อสร้างมันเกิดขึ้นจากกิตจะไปจับจิดกับรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกมันก็เป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องเห็นผิดมันเกิดขึ้นจากที่ใดจะต้องดับที่นั้นไม่ต้องไปดับที่อื่นจะไปเด็ดยอดเด็ดใบของมันมันไม่ตายรูปอันนี้เราอยู่นี้เราเห็นมันแล้วเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดโลภเกิดหลงกับมัน เราจะนี้ไปที่อื่นมันจะหายนั่นเหมือนเด็ดยอดเด็ดใบเข้ากันไปที่อื่นมันก็มีอีกรูปอื่นเรื่องอื่นที่จะมายุ่งเกี่ยวกับใจหาพิจารณาได้พอไปถึงจุดแล้วยิงไหมเกี่ยวข้องเรื่องภายนอกเกี่ยวข้องเรื่องของจิตถ่ายเดียวว่าจิตนี้เองเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงไม่ใช่เรื่องอันอื่น เมื่อพอใจทราบตัวจริงจังแล้วก็ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องเรื่องอื่ น, นจิตทำไมมันถึงจิตทึงข้องอย่างนั้นจึงไปหลงไปไหลยอย่างนั้นเมื่อมันทราบเรื่องของมันมันก็ปล่อยวางในจิตในยุ่งกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกปล่อยไปหมดปล่อยวางไป ใจตปล่อยวางสัญญาอารมณ์ได้เห็นตามเป็นจริงเป็นใจสบายจิตใจไม่สบายเพราะไม่เห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างกอบคุย้ามาว่าเราบอกของเราริงจีรักหรือสิ่งจีไม่ชอบก็ลบลวนตัวเองใหได้รับทุกทุกเพราะความรักก็ไม่ใช่เล่นทุกเพราะความไม่ชอบใจก็ไม่ใช่เล่น <c oughs> เป็นเรื่องยิเล็เป็นเรื่องของแฝงจิตใช่ตัวกิตเองใส่จิตําระสิ่งเหล่านี้ได้จิตสะอาดจิตสงบจิตสบายทัางผูช้ชาจ้าและสาวท่านอยู่ในโลกไม่ตินโลกท่านอยู่อย่างนี้จะทราบดีจากจิตของตัวเองถ้าจิตยังไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ทราบว่าความสุขความสงบ ตามสบายนั้นมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่กับอะไรกันจะวิ่งวุ่นตะคุกเงาเลื่อยไปก็เลยไม่ทันไม่ได้จริงที่ตัวต่องการมีการภาวนาเกิดการตามเรื่องภายนอกเขมาภายในคือน้อมเขมาพิจารณาในใจของตัวเองจนปล่อยหมดเรื่องยุ่งเกี่ยวต่างๆ ความกำหนัดยินดีโรกปวหลงมันไม่ใช่มีอยู่ในกายมันมีอยู่ในใจเมื่อม่มีอยู่ในใจจะไปแก้ไขเรื่องของใจมันจริงแก้ไหนได้ต่ แ, แก้เรื่องของใจเมื่อแก้เรื่องของใจได้กายมันเป็นปกติเป็นธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตาหนันเป็นธรรมเป็นกุญแจสำหรับแก้จิต ให้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ตัวจิตแท้จิตจริงๆล่ะไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาสาจิตบริสุทธิ์ถ้ามีอน OH ิจจัง OH ทุกขังอนัตตาอยู่ยังไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของใจความบริสุทธิ์ของใจเยิงจังไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาถอยเสียบแฝงเป็นความบริสุทธิ์ตั้งแต่วันรู้จนกระทั่งวันตาย เดียกวกั น, นิพพานไม่มีอะไรจะแปรหันเปลี่ยนแปลงไปเอจิตทำไมเป็นแบบนี้ไม่มีการสงสัยเพราะเหตุใดเพราะความบริสุทธิ์ของใจนั้นไม่อยู่ในวงของสมมติบริสุทธิ์เต็มที่เข้าใจเต็มที่เราอยู่ไปอีกหมื่นปีแสนปีก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกที่จะเสียไป คงที่อยู่อย่างนั้นทำบริสุทธิ์ของจิตท่ันจึงไม่มีการสงสัยไม่มีการอยากอยู่อยากไปยังอยากไปอยู่กว่ายังไม่ถึงที่ยังหาอยู่กว่ายังไม่เห็นมันทราบชัดภายในจิตในใจทันจึงว่าเป็นปัจจัจตตังไม่มีข้างสงสัยไม่มีอาการทั้งกระฉาไม่มีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นอีกนี่คือการปฏิบัต <c oughs> ิ ภาวนาเมื้อรู้เห็นคอยใจเด่นชัดเป็นอย่างนั้นทุกคนจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นฆราวาดบรรพชิตจะเป็นอดีต ท, ที่ล่วงมาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนหรือเป็นอนาคตจะมีมาข้างหน้าก็เป็นเหมือนกันหมดเหมือนแม่น้ำทุกสายไหลลงไปแล้วก่อตามยังไม่ไหลลงไปก่อตามาไเลตกทะเลเป็นอันเดียวกันคือแกมเหมือนกัน จิตใจของท่านที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนกันหมดเสมอกันหมดพระพุทธเจ้าหรือสาวกเสมอกันหมดความบริสุทธิ์นั้นที่ไม่เสมอกันก็อานาจราชนาทายนอกเทงนั้นแต่ความบริสุทธิ์เสมอกนรฉะนั้นพวกเราท่านจะมีอำนาจบาชนาดีชั่วอย่างไรเึ่งสึกใจของตัวเมื่อถึงขีดแล้วหมดความอยากหมดความอยาก ประหมดความทุกข์เพราะความอยากเป็นต้นต่อของทุกข์เหตุใดจึงหมดความอยากพอไปเห็นไปรู้ไปเข้าใจสิ่งที่หมดอยากเคยสงบเคยรวมรวมเคยปีติเยียมใจเบิกบานใจเคยพบเคยผ่านหยาบละเอียดสงใจมาแต่มัน ไม่หมดความอยากมันยังคิดอยู่ว่าความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรยังมีทางสงสัยเมื่อถึงบริสุทธิ์แล้วไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรจะอยากอีกจะไปถามใครจะไปฝุกอะไรให้มันได้ไปอีกหรือจะทำอะไรให้มันเสียไปมันเป็นไปไม่ได้แต่ท่านที่มีธรรมก็จะต้องรักษาสมมติไม่ใช่ว่าถึงที่สุด ของทำแล้วจะปล่อยวางไปหมดท่านยังมีสมสสมุติศี่นเขียนสมมุติอันหนึ่งถึงส่องรักษาท่านก็รักษาไม่ใช่ว่าท่านถึงที่จุดจิตเป็นมมุดแล้วอยากจะทําอะไรก็ทําไปมันไม่มีความอยากที่จะทําไปในทางชั่วอย่างนั้นมันจึงไม่มีทางเสียทางหายอะไรกันการฝึกจิต ึเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนจะต้องฝึกเพื่อความสุขความสบายความเยอนเย็นของตัวฝึกกิดได้แล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐพิเศษกว่าจะได้เป็นจักรพัฒน์มีสมบัติขวดโลกก่อตามความสุขอันนั้นจะได้เที้ยวหนึ่งของความสงบจากกิเลสไม่มี ความสงบจากกิเลสนี้เป็นความสงบแท้เป็นความสุขแท้เป็นความกระเสริดแท้จึงควรฝึกและความสงบนั้นก็ไม่มีไปจากที่ไหนนี่อยู่ในกายในใจของเราถ้าฝึกได้อบรมได้กายใจของเรานี้เป็นสมบัติไปเสริฐลิเศษกว่าสิ่งทั่วไปผู้มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้า ดิงชมเชยสระเสริญการฝึกจิตการดักจิตการกระทามจิตของตัวให้บริสุทธิ์เราพุชธยเจ้าหรือสาวกที่ทันดีวิเศษก็ออาศัยที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะทำได้ไม่ใช่ตายไปแล้วจึงจะได้มรกได้ผลในความดีวิเศษถ้าหากเรายังไม่ดีวิเศษแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ตายไปแล้วก็ม่ดีวิเศษอะไรไปัจจุบันนี่แหละจะเป็นไปข้างหน้าไม่ใช่จะมาจากที่อื่นปัจจุบันเป็นทุกข์ตายไปมันก็เป็นทุกข์ปัจจุบันเป็นสุขตายไปมันก็เป็นสุขปัจจุบันบริสุทธิ์เมื่อตายไปก็ส่งบริสุทธิ์เข้าใจไปจากอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรปิด บ, บงัง จึงควรฝึกอบรมแน่สอนตัวแต่มีทางอื่นที่จะดีไปกว่าการฝึกจิตอบรมใจฝึกไปกไปประทำไปความเยือกเย็นความสงบจะเกิดจะเป็นจะเห็นจะรู้หากไม่ฝึกไม่ปฏิบัติแต่อยากได้ก็เหมือนกันกับคนหนวกวตาหายข่าน้ำต่างๆจะบนขนาดไหน มันก็ไปอิ่มให้สารัาทานแล้วมันจะอิ่มขึ้นความอิ่มก็ต้องไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าความอิ่มเป็นอย่างไรการฝึอกอบรมภาวนาทางใจกับธนองเดียวกันกาถนาอเอาเฉยเฉยไม่ได้ต้องต่างหาต่าัณาฝึอกอบรมรักษาตัวขึ้นปฏิบัติความสงบส ง, งาัดความสุขความสบายเป็นอย่างไร อย่าไปจักในใจของตัวเองทําเป็นปัด จ, จัดตังอย่างนี้ผูป้ปฏิบัติปฏิบัติตัวรู้เห็นมาอย่างนี้จึงควรฝึกควรอบรมควรประปฏิบัติใน ม, มีทางอื่นจะดีไปกว่าจิตใจถ้าชั่วแล้วมันก็เสียไปหมดถ้าดีแล้วมันก็ประเสริฐไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างใน ม, มีขาสุจดจะดจูถ้าชั่วไปแล้ว มันเสียไปหมดศิรธรมาะรยากเขาปูกจาระสายเขาจะทำถ้าไหนมามันก็โกรธมันก็ไม่ดีเพราะเหตุใดเพราะใจเราไม่ดีเห็นอะไรไม่ดีไปหมดถ้าใจเราดีมันดีมันสบายจึงควรฝลูกใจรวรมใจอย่าไปคิดเรื่องใหม่เราจะดีวิเศษยิ่งกว่าการฝึกจิต พยายามแต่ทำบำเพ็ญพยายามฝึกอบรมจิต ด, ดีอย่างเดียวดีไปหมดจิตสงบอย่างเดียวโลกสงบจิตวุ่นวายอย่างเดียวโลกวุ่นวายพยายามสอนตัวของตัวอย่างนั้นแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติตามทุกคน <c oughs> รู้เห็นเป็นได้มีสิทธ์มีส่วนที่จะประฤปฏิบัติ ในใจว่าเป็นหน้าที่ของพระของเนรของนักบวชเพราะความสงบต้องการทุกคนไม่ว่าจะนักบวชพระอาตจะต้องการความสงบจะเกิดได้เป็นได้ก็เพราะอาศัยการฝึกการจัดทไม่ใช่อยู่ๆความสงบก็จะโผล่ขึ้นเพิ่มขึ้นพระพุท้เจ้าทรงแนะนให้พวกเรามีความเพียน็นเย็นพยายามขับไล่ เรื่ออารมณ์สัญญาที่เป็นข่าหรือแก่ใจให้ตกไปพยายามบังคับบัญชาใจให้คิดให้ทำให้พูดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นสาระถ้าเราเยพยายามรักษาตัวของเราอย่างนั้นด้วยสติด้วยปัญญาทามดีที่มีกำลังน้อยก็จะมากขึ้นตามช่วย ที่มีกำลังมากก็จะน้อยลงหรือหมดไปมีการชำระการกะททาทางใจมันเป็นอย่างนั้นทามากท้องพระพุทธเจ้าไม่ยืดยางไม่มากมายแต่การของธรรมนี้มากรูธรรมขอยใจธรรมชัดเจนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรูทั่วโลกเพราะมันเหมือนกันหมด หลงทำเพียงอย่างเดียวเท่า น, นั้นหลงไปทั่วโลกเหมือนกันฉะ น, นั้นจึงควรฝึกควรอบรมให้จิตใจของตนเห็นรู้เข้าใจชัดเจนในเรื่องของตัวเองจนไม่มีทางสงสัยในธรรมะทั่วไปศบชาติทั่วไปฉะนั้นการฝึกใจจึงเป็นการแก้ปัญหาการทำความสุขความสงบให้แก่ตัว ไม่มีทางอื่นจะดีวิเศษไปกว่าการฝึกตัวขล่องตัวเหื่อทุกท่านได้สะดับแล้วฟังแล้วจงนำไปที่นี้ที่จะรียนาการอธิบายธรรมะผมเห็นว่าพาอุงควรเสียเวลาพอจิตเจอย่งเข่มนี้